ไม่มีเจตนาไม่เป็นอาบัติอาบัติปาราชิกเมื่อภิกษุต้องแล้วขาดจากความเป็นพระภิกษุเมื่อวานนี้ก็มีท่านหนึ่งที่ไปปลงอสุภาศพที่โรงพยาบาลตำรวจบังเอิญไปเห็นปัจจัยเขาตกอยู่นึกว่าเป็นของตัวเองตกหลน่นก็เลยเก็บเอามาไว้พอมาดูของตัวเองเอา้าวของเรายังอยู่